สุทธกะสูตรว่าด้วยองคุณล้วนของพระโสดาบันหนึ่งภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 สุดทกษะสุดที่หกจบ